จากเรือนของข้าพเจ้าไปทางทิศเหนือเพียงเล็กน้อยมีคฤหาสน์สูงตร anggan ง, งามสง่าตั้งอยู่รั้วบ้านเป็นกำแพงอิฐที่สวยงามอันแสดงถึงฐานะแห่งเจ้าของบ้านว่ามั่งคั่งสมบูรณ์ที่นี่เองคือคฤหาสน์ของท่านมหาเศรษฐีบิดาของสมทัศตซึ่งท่านคงจำได้ว่าข้าพเจ้าเคยมารับเอาโคของท่านไปรับจ้างเลี้ยงและเคยถูกบิดาเคี่ยนตีจนสลบ เพราะเรื่องโคหายเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาจากตะกัศิลากลับมาสู่กรุงราชกลีไม่นานนักบิดาของสมทัทัตก็ล้มป่วยลงสมมทัตให้ข้าพเจ้าไปช่วยรักษาพยาบาลซึ่งข้าพเจ้าก็เต็มใจถือว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นผู้เคยมีอุปการะแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้บอกสมมทัตไว้แต่ต้นว่าจะไม่รับค่ารักษาพยาบาลใดๆทั้งสิ้น การล้มป่วยของท่านเศรษฐีก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่คนในบ้านไม่น้อยปัตตมาน้องสาวคนสวยของสมทัศน์ต้องเฝ้าบิดาอยู่เกือบตลอดเวลาเธอเป็นคนช่างอบอกเอาใจพูดจาน่ารักและไม่จองหองดูหมิ่นคนช่างผิดกับมารดาของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างตรงกันข้ามทีเดียวปัตตมาเคยมีท่าทางสงสารข้าพเจ้า ตั้งแต่ครั้งเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กรับจ้างเลี้ยงโคอยู่และเมื่อข้าพเจ้ากลับจากตากัศิลาแล้วเธอยิ่งแสดงความชื่นชมยินดีมากขึ้นและหลังจากบิดาของเธอล้มป่วยลงข้าพเจ้าต้องมารักษาพยาบาลอยู่ทุกๆวันทั้งเช้าและเย็นเราก็มีโอกาสสนิทสนมกันมากขึ้นสมบัน์นั้นดูเหมือนจะเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ท่านผู้เจริญ ถ้าข้าพเจ้ายังเป็นเด็กรับจ้างเลี้ยงโคอยู่เหมือนครั้งกันโนแล้วก็ถึงใครจะเมตตาบ้างก็แสดงออกได้เพียงเล็กน้อยยังรังเกียดเรื่องฐานะอยู่ยิ่งขลืหาดอนันหรูหรายางของสมมทัศน์นี้ข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสขึ้นมาเดินเพ่นพ่านอยู่ได้ทั้งเช้าเย็นเป็นแน่ข้าพเจ้าระลึกถึงคำของบิดาและของท่านอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนเรื่องให้มีวิทยาคุณ อาจารย์ของขพเจ้าเคยกล่าวว่าสุเมณะวิชาทําให้คนเข้าถึงราชาธิราชโดยง่ายและก็ไปในฐานะผู้ให้ไมิใช่ผู้ต้องงอนงอ้อขอพระราชทานอะไรจากพระองค์เวลานี้ขพเจ้ามาสู่บ้านของท่านมหาเศรษฐีในฐานะเป็นผู้ให้เป็นผู้คุ้มครองอะไรเล่าจะเป็นที่รักที่หวงแหนยิ่งกว่าชีวิต ก็พเจ้าเป็นผู้ปัดเป่าความทุกข์เป็นผู้คุ้มครองชีวิตเป็นผู้ให้แต่ความสุขแก่ผู้อื่นท่านเอ๋ยในชีวิตนี้อะไรจะน่าภูมิใจเท่าการได้เห็นคนอื่นยิ้มเพราะเราทําให้เขายิ้มเพราะเขาดึงชีวิตกลับคืนมาได้ชีวิตเป็นสิ่งหายากที่สุดมีอันเดียวเมื่อหลุดลอยไปแล้วเป็นอันหมดโอกาสที่จะเรียกคืน ด้วยฐานะดังกล่าวของข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งในที่ทุกแห่งที่ข้าพเจ้าเยียบย่างเข้าไปปัตถมาแสดงความยินดีปรีดาอย่างเห็นชัดเมื่อข้าพเจ้ามาเยี่ยมเยียนบิดาของเธอที่แรกๆข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมดาของคนไข้ที่ได้เห็นหมอหรือญาติของคนไข้ก็เช่นกันเมื่อเวลาเจ็บป่วยเห็นหมอมาเหมือนเทวดามาโปรด แต่แล้วความเข้าใจของข้าพเจ้าก็พลาดไปวันหนึ่งเวลาเย็นข้าพเจ้าไปเยี่ยมไข้ท่านเศรษฐีตามปกติรู้สึกแปลกใจที่เห็นปัตถมาอยู่หน้าเรือนซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยเธอเดินเล่นปล่อยอารมณ์ตามสบายเมื่อเห็นข้าพเจ้าเธอรีบเดินเข้ามาหาพูดว่าสุมณะวันนี้เธอมาช้าไปหน่อยมิทุระหรือ ถูกแล้วปัมมาติดธุระอยู่เลยมาช้าไปข้าพเจ้าตอบคุณพ่อนอนหลับไปสักครู่นี้เองฉันเลยลงมาเดินเล่นคิดว่าถ้าพบเธอก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งขึ้นไปเลยขอให้ท่านนอนหลับสักประเดีว๋วดีเหมือนกันข้าพเจ้าตอบสุมณนะเรามาเดินเล่นกันในสวนหลังบ้านดีกว่าชมอะไรเพลินๆสักประเดี๋ยวแล้วค่อยขึ้นไป ดีเหมือนกันอ้อเธอทำท่าเหมือนจะนึกอะไรได้เดี๋ยวนะขอให้ฉันขึ้นเรือนประเดี๋ยวไปเอาน้ามาให้เธอดื่มสักหน่อยเธอคงเหนื่อยมาดูหน้าตาเน็ดเหนื่อยอิดโรยดีเหมือนกันปัตถามองข้าพเจ้าแวบหนึ่งอมยิ้มเหมือนรู้สึกคบขันแล้วขึ้นเรือนไปเราสองคนเดินชมนั่นชมนี่ด้วยความเพลิดเพลิน ปฐมาคอยบอกชื่อต้นไม้และดอกไม้แก่ข้าพเจ้าดูเหมือนเธอมีความสุขเหลือเกินปล่อยให้ข้าพเจ้าเพลิดเพลินลืมความเหน็ดเหนื่อยไปด้วยเราเดินมาหยุดที่สะพัวที่ขอบสะนั้นเขาทําต่างสําหรับนั่งและห้อยเท้าได้สบายไวร้รอบๆสาหรับนั่งพักผ่อนเรานั่งชมบัวอันบานสะล่างสีต่างๆดูปลาในน้ําอันใสสะอาดปฐมมาช่างคุยช่างพูดให้สดชื่น คุณมณะเธอกําลังคิดอะไรหรือถ้าดาวไม่ผิดเธอคงกําลังคิดถึงคนไข้ของเธอใช่ไหมท่านผู้เจริญคําถามของปัตถมาทําเอาข้าพเจ้าสะดุ้งเพราะเวลานั้นข้าพเจ้ากําลังหัวเร ล, ลึกถึงภาพที่ข้าพเจ้าและจันทิมากําลังพร่ําพรอดกันอยู่ในสวนหลังบ้านของท่านธีคุในเมืองตะกศิลามันเป็นเวลาเดียวกันมีสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกัน ผิดกันแต่เพียงคนนี้ปัตมาคนโน้นจันทิมาเท่านั้นและในวันที่ข้าพเจ้าจากมานั้นจันทิมายังสั่งเป็นคําสุดท้ายว่าสุเมณนะอย่าลืมคนไข้คนเก่าของเธอนะคําว่าคิดถึงคนไข้ของปัตมาจึงกระตุ้นเตือนให้ข้าพเจ้าคิดถึงเรื่องดังกล่าวนั้นแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าปัตมาไม่รู้เรื่องนี้เธอหมายความอย่างไรปัตมา ข้าพเจ้าย้อนถามหมายถึงคนไข้ที่บ้านเธอปัตมะเอย๋ยข้าพเจ้าพูดพร้อมกับมองหน้าเธอด้วยความรู้สึกบางอย่างมีอยู่หรือชายหนุ่มที่ได้อยู่ใกล้หญิงสาวผู้เพียบพร้อมด้วยความงามความดีและอยู่ในที่อันฟุ้งตลบด้วยกลิ่นสุขคนทชาติมีแสงแดดพออบอุ่นแล้วคิดถึงสิ่งอันก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายกังวล เช่นความป่วยไข้ของคนนั้นคนนี้เป็นต้นฉันกําลังคิดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวฉันนี่เองอะไรสมนะุนณะเธอถามอย่างรีบร้อนดอกบัวเธอคิดว่าอย่างไรดอกบัวนะ่ะฉันคิดว่าคราวนี้ข้าพเจ้าไม่กล้ามองหน้าเธอดอกบัวเป็นเครื่องประดับสะทําให้สะสวยงามไม่ดูเวรงวาง บัวทำให้น้ำในสระใสสะอาดมีสีสวยในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าปราศจากสตรีที่สวยงามอุดมด้วยคุณสมบัติแล้วโลกคองอ้างว้างว่างเปล่าขาดเครื่องประดับอันสำคัญไปอันหนึ่งบัวมีคุณภาพทำน้ำให้ใสสะอาดสระใดไม่มีบัวมักจะมีน้ำขุ่นข้นในทํานองเดียวกัน นางงามผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมย่อมเป็นเครื่องประดับโลกประดับหมู่บ้านประดับเรือนทำความเข้มข้นในจิตใจของบุรุษให้จางความเข้มข้นลงให้มีความสดชื่นแจ่มใสย่อส่วนให้แคบเข้ามาอย่างบ้านของท่านสุรนาถมหาเศรษฐีนี้ถ้าขาดปัมมาเสร็จแล้วคงเป็นเช่นสระที่ขาดดอกบัวฉะนั้น ลมโชยมาเบาๆจากเบื้องหลังกลิ่นสุขันธชาติคลุกคล้าวด้วยกลิ่นน้ำหอมจากปัตถมาก่อให้เกิดความรู้สึกรันจวนใจเกษาอันสลวยของเธอพลิวน้อยๆตามกระแสลมผ้าสบายผืนบางแตกกระจายเป็นผูกและหมุนเป็นเกลียวพลิวมาพันคอข้าพเจ้าอย่างนุ่มนวลเรานิ่งเงียบทั้งสองคนเหมือนรูปปั้นศิลาวางไว้บนแท่นเก่า ข้าพเจ้าปล่อยให้สบายของปัตถมาคลอเคลียอยู่อย่างมีความสุขและเลื่อนตัวเข้าใกล้ชิดเธอเล็กน้อยปัตถมาเอ็นศีรษะลงพิงไหลของข้าพเจ้าสุมนะเธอสบายดีหรือปัตถมาถามข้าพเจ้าเหมือนไม่ตั้งใจทำไมหรือปัตถมาข้าพเจ้าย้อนถามด้วยอารมณ์ที่เลื่นลอยฉันเห็นเธอทำงานมากเหลือเกินกลัวจะเจ็บป่วย ถ้าหมอป่วยสิเองใครจะเป็นคนรักษาแพทย์หญิงปัทมาคงพอรักษาได้โรคอะไรของเธอนะปัทมาถึงจะรักษาได้ไม่เคยมีความรู้เรื่องหมอเรื่องยาเลยโรคหัวใจอ่อนเพราะสู้กับความงามความดีความอ่อนหวานของปัทมาไม่ไหวข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวงเวลานั้นพระอาทิตย์กาลังจะรับขอฟ้าลงไปแล้ว ทั่วบริเวณสวนไม่มีเงาแดดใดๆเหลืออยู่อีกเลยนกเล็กๆโผล่ผวาโฉบชาบไปมาเหนือศรีรษะของเราข้าพเจ้าไม่นึกเลยว่าปัตมาจะมีความรู้สึกอันลึกซึ้งฝังอยู่ในข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดอะไรกับเธอไปบ้างนั้นข้าพเจ้าทราบดีว่าเป็นเพราะอารมณ์หนุ่มของตนเองข้าพเจ้าไม่รังเกียจเลยที่คบกับปัตมาในฐานะใดๆก็ได้ ถ้าหัวใจของข้าพเจ้ายังว่างอยู่ความรู้สึกที่คุ้นเคยกันมาแต่เล็กแต่น้อยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเธอเป็นน้องหรือเป็นนายมากกว่าจะเป็นคนรักแต่แต่เธอสิดูเหมือนจะรักข้าพเจ้ายังจริงจังทีเดียวถึงปัตถมาจะสวยสู้จันทิมาสาวชาวกสมีระไม่ได้ก็จริงแต่ปัตมาอ่อนหวานน่ารักเหลือเกิน ดวงหน้าอันยิ้มละไมสดชื่นเหมือนอาทิตย์เมื่อรุ่งอรุณนั้นน่าจะติดตาเตือนใจผู้ได้ชมไปตลอดชีวิตอาการป่วยของสุรนาเศษธีดีขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็หายเป็นปกติ คนที่ดีใจที่สุดก็คือปัทมาและโสมทัตย่างเข้าขัวปีที่สาที่กับเจ้าจากตักกศิลามาทํางานเพื่อมนุษย์ผู้ลำบากด้วยความเจ็บไข้กับเจ้าถามถึงจันที่มาอยู่เสมอเมื่อมีใครเดินทางผ่านไปทางตักกศิลากับเจ้าได้ทราบข่าวอยู่บ้างว่าเธออยู่สบายดีมาถึงเวลานี้มยุสสาพี่สาวของกับเจ้าได้แต่งงานไปแล้ว กับบทก้าบดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งวิดาของข้าพเจ้าได้ร่วมอยู่กับมายุสาแต่ท่านก็ได้มาช่วยเหลือข้าพเจ้าอยู่เสมอๆตามโอกาสหัวใจคอยร่ำร้องคำหนึ่งถึงจันที่มาอยู่เสมอๆยิ่งในระยะหลังๆนี้ด้วยแล้วยิ่งคิดถึงมากขึ้นในที่สุดข้าพเจ้าได้มอบภาระเกี่ยวกับเรื่องคนป่วยที่มีอยู่บ้างให้โควินทาแทน ตามคำมอบหมายของข้าพเจ้าและปัตมาช่วยเหลือดูแลอยู่ด้วยตามโอกาสแล้วข้าพเจ้าก็เตรียมตัวเดินทางไปตากศิลาเพื่อหาจันทิมายอดรักของข้าพเจ้าเมื่อถึงที่มุ่งหมายแล้วข้าพเจ้าไม่ลืมแวะเข้ากราบนมณสการท่านอาจารย์ที่เคารพรักท่านแสดงความยินดีปรีดามากที่ได้พบข้าพเจ้าหลังจากห่างกันไปถึงสมปีและ ณสำนักของอาจารย์นั่นเองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวร้ายที่สุดในชีวิตมันทำให้ความหวังของข้าพเจ้าพังทลายลงเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบว่าจันทิมาได้เข้าพิธีแต่งงานเสร็จแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้เองและเวลานี้เธอกลับไปอยู่กษมีระบ้านเดิมของเธออยู่กับสามีตามความพอใจสมัครใจของมารดาบิดาท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเดินทางมาด้วยหัวใจอันพองโตมีความหวังอันเต็มเปี่ยมที่จะได้พบคนรักซึ่งจากกันไปนานถึงสามปีข้าพเจ้าไม่นึกเลยว่าจันที่มาที่ข้าพเจ้ายกย่องไว้ในดวงใจจะเป็นหญิงใจง่ายเลวซามขนาดนั้นเธอลืมคำมั่นสัญญาเสียสิ้นถูกแล้วที่โควินเคยพูดว่าความงามของหญิงอยู่ที่สัจจ์ หญิงที่มีความงามเช่นนั้นจะหาได้ที่ไหนซึ่งคํานี้ข้าพเจ้าเคยค้านเสียงแข็งเมื่อสามปีก่อนโ น, น้นมาบัดนี้ข้าพเจ้าอยากจะวิ่งกลับไปกราบโควินเสียเหลือเกินเขาช่างเข้าใจชีวิตได้ดีอะไรเช่นนั้นท่านผู้เจริญอาจารย์รู้ถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าดีและได้พยายามพูดปลอบโยนข้าพเจ้าต่างๆเพื่อให้เห็นว่าในโลกนี้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันสับปรับแปรผันจนสุดที่จะวิ่งตามทันได้แต่ความเจ็บปวดรว่ดเร้าในดวงใจของข้าพเจ้าหาลดลงไม่ข้าพเจ้าลืมนึกถึงท่านธีคุและป้าสุชาณีที่เคยให้ความเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าในสมัยที่ยังศึกษาอยู่ทั้งที่ถูกควรจะไปกราบท่านตามประเพณีอันดีงามแต่ใจของข้าพเจ้าเวลานี้ กำลังรุ่มร้อนเหมือนถูกจี้ด้วยไฟข้าพเจ้าพักกับท่านอาจารย์เพียงสองคืนเท่านั้นก็ลาท่านกลับแต่ข้าพเจ้าหากลับกรุงเลชคือไม่เมื่อออกจากตักกิลาแล้วข้าพเจ้ามุ่งหน้าไปยังไพราลีเมืองซึ่งมีความฟุ้งเฟอ้อหรูหราใจของข้าพเจ้าเตลเอสิแล้วเมื่อถึงไพราลีข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงโควินมอบงานทั้งหมดให้เขา เพราะความเป็นจริงที่พักคนป่วยทั้งหมดทำขึ้นด้วยทุนของเขาเองข้าพเจ้าบอกว่าถ้าพอจัดการทำอะไรได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ให้เลิกเสียโควินจะได้สบายใจและเดินทางไปไหนๆได้ตามปรารถนาข้าพเจ้ามีจดหมายถึงท่านบิดาและมายุสาว่าข้าพเจ้าขออนุญาตเที่ยวพักผ่อนสักพักหนึ่งก่อนจะกลับมาราชคลี ข้าแต่ท่านสารชาติผู้เจริญกรุงไภสาลีซึ่งครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเคยชมเชยว่าเป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์และเคยชี้ชวนให้ภิกษุทั้งหลายดูเจ้าลิชวีในกรุงเวสาลีนี้ว่าแต่งกายได้งดงามเพรศพริง้งเหมือนเทวดาชั้นดาวดึงเป็นเมืองที่มีนครโสพินีที่สวยที่สุดในดินแดนชมพูทวีปคือนางอัมพาปาลี จนมีชื่อเสียงระเบือไปทั่วทุกทิศมีเจ้านาาต่างประเทศพ่อขาค า, าบดีผู้มั่งคั่งเดินทางมาสู่กรุงไพรสาลีมากมายด้วยเหตุนี้ทางกรุงราชคลึซึ่งถือว่าเป็นนครใหญ่ไม่ควรจะน้อยหน้าเวสาลีจึงให้จัดหาหญิงงามเมืองไว้ต้อนรับแขกเมืองด้วยและเลือกได้นางสาละวดีมารดาของหมอชีวกนั่นเอง กรุงเวสาลีเป็นนครซึ่งกษัตริชวีกรุงเวสาลีได้รับความนิยมสันเสริญจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีความสามัคคีกันดียิ่งนักกองทัพพระเจ้าอาชาติศัตรูยกเข้าตีหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอนุลซึ่งในที่เฝ้านั้นมีวสการพรามและสุนิ t มหาอมาตย์อยู่ด้วยว่าอนุล ราบใดที่ชาววัดชียังมันประชุมกันเนืองนิดหนึ่งเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิกหนึ่งเคารพตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองหนึ่งเคารพนับถือผู้ใหญ่ผู้ควรเคารพหนึ่งไม่ประพฤตตนเป็นคนผานกักกะชอบคมเหงรังแกสตรีหนึ่งไม่ประพฤตตนนอกรีดนอกรอย รู้จักเคารพปูชนียสถานหนึ่งรักษาประเพณีอันดีงามในการทำทานและทักษิณาที่บรรพบรุษเคยทำมาหนึ่งตราบนั้นชาววัดชีจะไม่เสื่อมเลยมีหวังแต่ความเจริญอย่างเดียวเมื่อวสการพรามได้ลาไปแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอนุนว่าดูก่อ น, อ น, นุนตราบใด ที่พิสูทั้งหลายยังประชุมกันเนืองนิดหนึ่งเข้าประชุมและเลิกประชุมพร้อมกันหนึ่งเคารพต่อสิขาวินัยไม่ล่วงละเมิดหนึ่งเคารพต่อพระสังฆเถระผู้เป็นสังฆบิดรผู้บวชนานหนึ่งไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากหนึ่งพอใจอยู่ในเสนาสนะป่าหนึ่งหวังให้เพื่อนสะพมจารี ผู้มีศีลมาสู่อารามหนึ่งตราบนั้นทิุทั้งหลายจะไม่เสื่อมเลยมีหวังแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวดูก่อนอานน์ปริยายอื่นยังมีอยู่อีก เธอจงฟังให้ดีอานอนตราบใดที่พิสุท์ทั้งหลายยังมีศรัทธามีใจประกอบด้วยความรังเกียจบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปเป็นผู้หูสูรลงมือทำความเพียรมีสติมั่นคงดีมีปัญญาตราบนั้นภิษุททั้งหลายจะไม่เสื่อมเลยเธอมีหวังแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอปริหานิยธรรมไว้โดยปริยายเป็นอเนกแม้สารานิยธรรมที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นก็ทรงประมวลมาแสดงเป็นอปริหานิยธรรมในที่นี้อวุโสสุมานณะข้าพเจ้าพูดเสริมขึ้นตามในพระพุทธภาษิตนี้เราพอจะรวมความได้ว่ามูคณะเสื่อมก็เพราะค้นขาดคุณธรรมหันหลังให้ธทำ หรือพูดเป็นส่วนบุคคลก็เช่นกันผู้ใดไม่แยแสต่อธรรมผู้นั้นเป็นผู้เสื่อมหมู่คณะที่จเจริญบุคคลที่จเจริญเพราะมีธรรมชอบธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้จเจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านผู้จเจริญพระสุมณะเล่าต่อตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปในดินแดนต่าง เพื่อให้ลืมความรักความหลังนั้นข้าพเจ้าพยายามสมาคมคบหากับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นชีวิตมากมายหลายแบบซึ่งล้วนแต่น่ารู้น่าศึกษาอันหนึง่งเนื่องจากข้าพเจ้าได้ผ่านการศึกษาชั้นสูงมาแล้วจึงสามารถรู้และเข้าใจอะไรได้ง่ายในที่สุดจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมากมายนั่นเองข้าพเจ้าพอสรุปได้ว่า ชีวิตของมนุษย์ทั้งมวลต่างลิ้นรนก็เสือกระสนเพื่อให้รอดพ้นอันตรายซึ่งมีอยู่รอบด้านและเพื่อหาที่ยึดที่เกาะให้แก่จิตใจที่ว้าเหววุ่นวายด้วยประการชนนี้ศาสนาต่างๆจึงเกิดขึ้นเพื่อยื่นหลักคำสอนให้ประชาชนได้เกาะได้กลุ่มเป็นเครื่องยึดเหนียวไปเท่าที่ตนเห็นชอบเห็นสมควรและเท่าที่ศาสดาของตนได้สอนไว และเท่าที่สติปัญญาของตนจะพึงตรองเห็นอีกด้วยถูกแล้วอาวุโสจิตใจของคนต้องมีที่เกาะที่กุมมีที่ยึดเหนี่ยวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธสาวก ยื่นที่เกาะที่คุมให้แก่ประชาชนชนิดที่ถูกต้องปลอดภัยและเพื่อประโยชน์แก่ผู้นั้นเองพวกเราสมณะสักยบุตรไม่ใช่ในพรานที่จะหาวิธีหลอกให้สัตว์ป่าเกาะกิ่งไม้ที่ตนจะพึงยิงได้ถนัดพวกเราสมณะสักยบุตรไม่เหมือนคนดักปลาที่จะพึงขุดหลุมหลวงปลาไว้ให้กระโดดลงแล้วเพื่อประโยชน์ของคนดักปลา แต่เป็นความพินาศของปลาทั้งหลายเมตตากรุณาของเรามีสูงพอที่จะไม่สแสวงหาความสุขบนความเสื่อมบนความเข้าใจผิดของผู้อื่นในพรานและคนดักปลาเกิดขึ้นและเที่ยวไปเพื่อความเสื่อมและความพินาศของสัตว์ทั้งหลายชั้นใดาศาสนาหรือสมณพราหมณ์บางเหล่าก็เกิดขึ้นและเที่ยวไปประกาศคาสอนผิ ด, ผด เือความเสื่อมและความพินาศของมวลชนฉันนั้นข้าแต่ท่านผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาพระสุมณะเล่าต่อในที่สุดขา้าพเจ้าเมื่อมีปัญหาทางความเป็นอยู่ของมหาชนและปัญหาทางศาสนาเข้ามาสู่สมองก็ฉุกคิดถึงคําที่ท่านอาจารย์เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าต้องการจะเรียนอะไรต่ออีกให้ไปศึกษากับพระเถระซึ่งอยู่ณนะวัดเวลุวัน อีกประการหนึ่งเมื่อได้ท่องเที่ยวเสียพักใหญ่เที่ยวไปศึกษาไปมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนทับถมอยู่ในหมู่มนุษย์มากมายเหลือที่จะพรนนาได้แล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าความทุกข์ความเดือดร้อนที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่เพราะหญิงคนรักไปแต่งงานเสียนั้นมันช่างเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงเซี่ยวที่16ตัดอีก16ครั้งแห่งความทุกข์ของคนบางคน แต่ดูเหมือนจะเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายที่จะต้องมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของตนยิ่งใหญ่กว่าของคนอื่นเสมอและจําเป็นจะต้องแก้ไขก่อนเสมอด้วยข้าพเจ้าตัดสินใจกลับสู่นครราช ค, คลีบ้านเกิดเมืองบิดรณนะที่นั้นเองข้าพเจ้าต้องประสบเรื่องสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งทําไมหนอชีวิตของข้าพเจ้า จึงแวดล้อมไปด้วยเรื่องเศร้าสลดถึงป่านนี้